ติดค้างเมื่อกี้ที่หลวงปู่อุทยัยท่านพูดน่ะบางทีท่านพูดจะคือท่านพูดตัดตอนมันไม่จบเดี๋ยวกลัวญาติโยมจะเข้าใจผิดที่ท่านพูดอ่ะท่านต้องการให้เข้าใจถึงที่พระท่านท่านตั้งยติเนี่ยนะท่านอุปโลกยักเคพันเตสัางโคชานาตุเนี่ยคือแต่ถ้าไม่ได้พูดถึงถจุดนี้ท่านบอกว่าของที่ที่ผู้กล่าวคาถวายถวายแก่สง สังคสระเนี่ยคือของที่ถวายสงแล้วเนี่ยห้ามบุคคลเอาไปใช้ใช้ของสงเนี่ยเหมือนกันรักขโมยของสงเป็นบาปเราบอกว่าเช่นว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมาถวายเป็นของสงแล้วอยู่ในวัดเนี่ยญาติโ ย, ยมเข้าไปเข้าไปใช้ในห้องน้ําเข้าไปใช้เนี่ยจะเป็นบาปเป็กรรมใช่ไหมละ่ะแต่ในพระวินัยเนี่ยคือของใดที่ตกแก่สงถวายสงแล้วเนี่ยห้ามท่านคนใดเอาไปใช้ ยึดออกไปเป็นของส่วนตัวไม่ว่าจะพระไปเยอะยไม่ว่าจะโยมแต่ท่านมีท่านมีคำว่าแต่แต่คณะสงสงก็คือตั้งแต่พระตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปเป็นองคสงสงสามารถเอามาแจกจ่ายเอามาแจกใจ่ายใช้กันได้ในหมู่ในหมู่พิสุสามเร น, นอุบาสุอุบาสิกาเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อกล่าวคำถวายแก่สงจึงมีพระองค์หนึ่ง อุปโลโกขึ้นมาท่านบอกว่าสิ่งของต่างๆทัง้งหลายเดี่ยวนี้สัตยาโยมมาถวายแก่สงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์เพราะฉนั้นคณะสงฆ์เราเห็นควรที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อในหมู่พิสุสามเณร อ, อุบาสิกาเพื่อความอยู่เป็นสุขถ้าท่านใดเห็นด้วยพึงนิ่งเสียถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยพึงค้านขึ้นมา เมื่อท่านทั้งหลายนิ่งอยู่เขาพเจ้าทรงความนี้ไว้ว่าควรพระเอเลสาทูพ้อมกันได้ไหมก็เลยของทุกสิ่งทุกอย่างเอามาใช้ได้หมดไม่ว่าพิสุสาวเมเนอุบาสุอุบาสิกาใช้ได้หมดนี่คือให้เข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าโอุย้ยมาถวายแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ําไปใช้ของพระนี่เป็นบาปไมไดคือท่านต้องอุปโลกท่านอุปโลกแล้วท่านเนี่ยท่านอุปโลกแล้วจึงว่าของนี้ตกขึ้นมาใช้เกนในหมู่พิสุสามเมเนอุบาสุอุบาสิกาให้เข้าใจด้วยเล่า <c oughs> คือคือบางทีบางทีท่านพูดคนที่อยู่วงนอกอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมละ่ะเออเป็นแบบนั้น <c oughs> คือบางทีพูดประตัดตรนน่ะนะถ <c oughs> ้าพูดรัดพูดง่ายๆ <c oughs> าวันนี้งานบุญของบริษัทเวลีน่า <c oughs> ก็สำเร็จรูปดวงไปด้วยความเรียบร้อย แหตุที่สําเร็จรู้่วงไปด้วยความเรียบร้อยนั้นก็เพราะทุกคนที่มาร่วมกันนี้มีความพร้อมเพียงสะบัดสมานสา ม, มขีกลมเกลียวไปแต่หนึ่งเดียวกันมีความคิดความอ่านอันเดียวกันนับตั้งแต่ท่านผู้เป็นประธานคือดรหมูจนกระทั่งมาญาติพี่น้องมิตรสหายบริษัทบริวารทุกคนมีแนวความคิดอันเดียวกันว่าจะมาทําบุญมาจัดบุญประจําปีอย่างนี้ เมื่อมีแนวคิดอันเดียวการกระทำการกระทาทั้งหลายมันก็ลาบลื่นไปโหดที่สุดก็นำมาซึ่งความสำเร็จเกิดเป็นฟวามคามปืมปิติเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกประการงานการทุกสิ่งทุกประการหรือวงคณะที่จะมีความมั่นคงเจริญสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนั้นต้องเกิดขึ้นมาจากความพร้อมเพียงสมบัสมานสามัคคีกลมเกี่ยวไปแต่หนึ่งเดียวกัน ความสมัสมาคีสสมาอัสมาคีกรมเกี่ยวไปในเดียวกันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะทุกคนต้องมีความคิดความอ่านความเห็นอันเดียวกันลงรอยดิหลงลอยเดียวกันเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านอันนี้จะต้องเอาหมู่เอาคณะฟังกันฟังหมู่ฟังคณะฟังส่วนมากเอาไปเกณฑ์อย่าเอาความคิดความอ่านของตนเองเป็นเกณฑ์โดยโดยยึดมั่นในอัตราตัวตนถ้าหากเรายึดมั่นในอัตราตัวตนไม่ฟังคนอื่นแล้วผลที่สุดก็เกิดการปีนเกี่ยวกัน เกิดการแตแกแยกกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้มเหลวไปไ ม, ไม่ไม่เกิดเป็นความสําเร็จเพราะฉะนั้นคร์มคิดฟาร์มอ่านที่จะลงรอยเดียวกันนี่เป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้เกิดเป็นความสําเร็จความมั่นคงยัง่งยืนให้เกิดขึ้นได้ mm. เพราะฉะนั้นฟาร์มคิดเนี่ยตัวสําคัญที่สุดแ <c oughs> ม้นหามีาวามคิดความอ่านแตแกแยกกันแม้นจะเป็นงานใหญ่การตัวงานเล็กงานน้อยก็แตกทางทลายอย่างแน่นอนท่านมีนิทานเล่าไว้อันหนึ่ง ท่านบอกว่าในยุคการสมัยที่พระเจ้าพมทัดปกครองบ้านเมืองอยู่นั้นเมื่อพระเจ้าพมทัดปกครองบ้านเมืองมานานก็ไม่ทราบว่าอาณาประชาราชของพระองค์จะอยู่เย็นเป็นสุขมากน้อยขนาดไหนเพราะได้รับแต่รายงานมารายงานมาไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองที่ส่วนพระเจ้าพมทัดก็อยากจะรู้ด้วยตัวของพระองค์เองว่าอาณาประชาราชของพระองค์นั้นอยู่เย็นเป็นสุขมากน้อยขนาดไหนประกอบกิจการงานอาชีพมีความลาบลื่นอย่างไร เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วพระเจ้าพม่าไทยก็เลยชวนข้าราชบริพารกลุ่มหนึ่งมาปลอมตัวออกมาเป็นเป็นชาวบ้านชาวนาคนธรรมดาธรรมดาแล้วก็เที่ยวเล่ยล่อนไปในอนาณาบริคมน้อยใหญ่ไปกินไปนอนคุกคีอยู่กับชาวบ้านทั่วไปเพื่อจะไปสืบหรือเพื่อจะไปดูสัมผัสด้วยตัวเองว่าประชาชนของพระองค์นั้นอยู่เย็นเป็นสุขประกอบกิจการงานอาชีพมีความราบลื่นอย่างไร เมื่อพระ อ, องค์กับบูฆ่าราชบริพารปลอมตัวเป็นเป็นชาวบ้านชาวช่องธรรมดาก็เที่ยวเลื่อนล่อนไปในหมู่อนานในคมน้อยใหญ่ไปนั่นแหละไปน้อกินการตามดิง้งกินการทรายนอนเลื่อนล่อนไปก็กับบูชาวบ้านทั่วไปจนวันหนึ่งเี่พระเจ้าผพรมทัดกัไปไปเลื่อนล่อนไปในหมู่ประชาชนทั่วไปนั้นก็ไปเห็นบ้านเขาเรือหาดใหญ่โตหลังหนึ่งแต่ว่ามันล้าง แต่บ้านเล็กบ้านน้อยบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีผู้คนอบอุ่นนาแ น, น่น่องลำทำเพลงสนุกสนานกินกันเพื่อเพลินกันอยู่ทั้งนั้นแต่บ้านเขาเรือหาดใหญ่โตหลังเนี้ยทั้งๆที่โก้หลูใหญ่โตแต่ว่ามันล้างพระเจ้าพโมทัตก็เลยแปลกใจว่าทำไมบ้านใหญ่โตโก้หลูหลานี่มันขับล้างได้แต่บ้านเล็กบ้านน้อยกับผู้คนอบอุ่นนาแ น, น่นสนุกสนานกัน พระเจ้าพ ม, ม่ทัตก็เลยให้ข้าราชาบริพารไปถามประชาชนทั่วไปแถวแถวนั้นว่าทําไมบ้านหลังใหญ่หลังนี้มันจึงลางพอไปถามเขาบอกว่าตัวเสนียมันลงชาวบ้านว่าตัวเสนียมันลงไปถามใครดันใครว่าตัวเสนียมันลงตัวเสนียมันลงเอาพระเจ้าพ ม, ม่ทัตก็แปลกใจว่าเอ๊ะตัวเสนียมันมีอํานาจบันใหญ่โตมีความสามารถขนาดนั้นเหรอลงบ้านเนี่ยตัวเสนียลงเข้ามาบ้านนี่ ขนาดบ้านเขรื่องหัตใหญ่โตมันยังล้างได้พระเจ้าพรมไทยก็เลยอยากจะได้อยากจะรู้จักตัวเสียดเพราะว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวเสียดเลยเคยได้ยินแต่ได้ยินแต่ตัวเสียดได้ยินแต่ชื่อตัวเสียดแต่ไม่เคยเห็นตัวเสียจพวกเราในที่นี้มีใครเคยเห็นตัวเสียจบ้างยกมือขึ้นยังไม่มีใครเคยเห็นเลยแต่ว่าคงคงจะเคยได้ยินชื่อตัวเสียจกันบ้างใช่ั้มคงจะเคยได้ยินว่าตัวเสียดกันทั้งนั้น แต่ไม่เคยเห็นตัวเสดเดียรเลยพระเจ้าพม่าไทยก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเราแหละคือได้ยินแต่แต่ตัวเสดียรตัวเสดเดียรแต่ไม่เคยเห็นตัวเสดียรพระองค์ก็อยากจะเห็นตัวเสดเดียรว่ามันเป็นตัวอย่างไงอยากจะรู้จักตัวเสดเดียรก็เลยสั่งให้ข้าราชบริพารเนี่ยไปหาจับตัวเสดียรมาให้ได้ภายในเจดวันถ้าจับตัวเสดียรมาไม่ได้ภายในเจ็ดวันเนี่ยจะลงโทษพวกข้าราชบริพารเหล่านี้แหละข้าราชบริพารเหล่านี้ก็เลยแยกย้ายกันออกไปหาจับตัวเสดเดียร ตอนนี้จะไปจับตัวเสดียได้ยังไงก็เมื่อไม่เคยเห็นตัวเสดียไม่รู้จักตัวเสดียก็เลยต้องไปถามประชาชนทั่วไปว่าท่านเคยเห็นตัวเสดียไหมตัวเสดียมันหน้าตาตัวมันมีมันเป็นอย่างไรแถวนี้มีตัวเสดียบ้างไหมก็ถามไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครเคยเห็นตัวเสดียที่คนหนึ่งไม่เคยมีใครรู้จักไม่ได้ยินแต่ชื่อตัวเสดียแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นตัวเสดีย ก็เมื่อไม่รู้จักตัวเสดเดียร์ไม่เคยเห็นตัวเสดเดียร์แล้วจะไปจับตัวเสดเดียรได้อย่างไงก็หาไปเรื่อยถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยถามใครใครไปก็ไม่เคยมีใครเคยเห็นถามใครว่าเนีตัวเสดียรหน้าตารูปร่างลักษณะเป็นไปอย่างไรก็ไม่มีใครรู้จักคนที่โสดก็หาไปเรื่อยเรื่อยเลื่อนลอดถามหาไปเรื่อยถึงถึงวันที่เจ็ดยังไม่ได้ข่าราบริพัยก็โหยก้ม อ, อก้มใจแหละกลัวจะถูกลงโทษแหละเลยหาไปหาไปจนกระทัง่งเข้าไปหาถึงในป่า ก็ไปเจออาสมตะลุศีโลศีบําเพ็ญเพียรอยู่ในอาสมกลางป่าไอ้ข้าราชบริพารเหล่านี้ก็เลยไปถามท่านลุศีท่านลุศีท่านเคยเอท่านรู้จักตัวเสนียร์ไหมตัวเสนียรหน้าตามันเป็นอย่างไรแถวนี้มีตัวเสนียรบ้างไห้เขาไปเจ้าอยากได้ตัวเสนียรท่านลุศีก็แปลกใจเอ้ามันอยู่ดีๆมาถามหาอยากได้ได้ตัวเสนียรไปทําอะไรก็เลยถามท่านเหตุท่า น, านมีเหตุอย่างไรจึงอยากได้ตัวเสนียร อยากรู้จักตัวเสียดไอ้ข้าราชการต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเล่าให้ท่านฤาษีฟังว่าพระเจ้าพมทัต์ออกมาตรวจบ้านตรวจเมืองดูว่าประชาชนจะอยู่ย็นเป็นสุขอย่างไรก็มาเจอบ้านหลังหนึ่งบ้านใหญ่โตเขาเรียกใหญ่โตหลังหนึ่งแต่มันล้างไปถามประชาชนทั่วไปว่าบ้านหลังนี้ทําไมมันล้างเขาบอกว่าตัวเสนียดมันลงพระเจ้าพรมทัตก็เลยไม่เคยเห็นตัวเสนียดก็เลยอยากได้ตัวเสนียด อยากรู้จากตัวเสดีว่าตัวเสดีมันมีอำนาจวาสนามันมีความสามารถเก่งมากขนาดทำบ้านใหญ่โตให้ล้างได้พระเจ้าพม่ัไทก็เลยอยากได้ตัวเสดีก็เลยให้พวกเขาเจ้ามาหาจับตัวเสดีไปท่นานฤาษีบอกโอ้พอดีเลยเรายังเหลือตัวหนึ่งพอดีเพราะฉะนั้นคอยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปจับตัวเสดีมาให้ให้คอยสักครู่หนึ่งท่านฤาษีก็เลยเข้าไปในห้อง เข้าไปในห้องได้บั้ง ไ, ไม้ไผ่บั้งไม้ไผ่ก็บั้งพอประมาณเน่ยเล็กๆพอประมาณเสร็จแล้วท่านฤาษีก็ ค, aging, คายคำหมากลงไปในในบั้งไม้ไผ่พอคายคำหมากไปบั้งไม่ลงไปในบั้งไม้ไผ่แล้วก็จุกมาอัดอัดลงไปปิดอย่างแน่นเลยแล้วก็บั้งไม้ไผ่มาให้พวกข้าราชการเอา้าเราจับตัวเสนียบมาให้แล้วนะแต่ตัวเสนียบมันเหลือตัวเดียวเท่านั้นแล้วมันเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเปิดาทางนะ่าจะเปิดทางเดี๋ยวมันนีหายแทบไปเลย หาจับอีกไม่ได้เพราะเหลือตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาไปถึงหน้าพระเจ้าพ ม, มาทัศแล้วจึงค่อยไปเปิดดูแล้วเปิดต้องเปิดด้วยความระมัดระวังด้วยอย่าประมาทไม่ได้ต้องระมัดระวังที่สุดเลยเพราะตัวเสด็จมันเร็วมากเลยสั่งเสียอย่างดีแล้วไอ้พวกข้าเลายพานได้ตัวเสด็จก็ดีอกดีใจไม่ถูกลงโทษก็พากันเอาตัวเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าพามทัศเข้าไปถึงท้องพระโรงก็ระบอกพระเจ้าพร ม, มทัศบอกว่า ท่านฤษีบอกว่าเหลือตัวเดียวแล้วตัวเสเดียดนี่มันเร็วมากเลยท่านฤษีอุตสาห์ ส, ส, ะสะละให้มาแต่ท่านฤษีสั่งนักสั่งหนาบอกว่าตัวเสเดียดนี่มันเร็วมากเพราะฉะนั้นจะเปิดเนี่ยเปิดดูต้องระมัดระวังที่สุดเลยถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยตัวเสเดียดบันดีหายแซ่บไปเลยไม่ได้อีกเลยนะหาอีกไม่ได้เพราะเจ้าพรท้ก็เลยสั่งให้ข้าและพิพาฒเอ้าเปิดดูแต่ต้องเปิดให้ระมัดระวังแอย่ากให้ตัวเสเดียดบันดีได้นะถ้าใครทําตัวเสเดียบันดีไปเนี่ยเราจะลงโทษผู้ดั้น ให้ฆ่าล่าบริวพายมื่ก็เปิดด้วยความกลัวว่าตัวเสดเดียมันจะหนีก็เปิดแย้มแย้มพอแย้มแย้มเห็นลำลายลำลายมันก็ปิดกับปิดกับปิดกัปมาไอ้ทางตัวเสดเดียวยัไงไอ้คนที่เราปิดกัปเป็นเห็นลำลายลำลายโอ้ตัวเสดเดียตัวกลมกไอ้คนที่ตัวเสดเดียตัวเลียวเียวไอ้คนนั้นตัวเสดเดียตัวกลวยตัวแบนแบนไอคนนี้ตัวเสดเดียตัวขุขุขักขแต่ละคนแต่ละคนก็บ่าไปคนละทิศคนละทางโหดที่สุดก็เกิดถกเถียงกันกูดูด้วยตาดมมาด้วยจมูกกูเห็นตัวกกลมมๆงจะะาเถียอไรู กูก็ดูมาด้วยตาดมมาด้วยจมูกกูกูเห็นตัวเดียวเียวมึงจะมาเถียงอะไรกูต่างคนต่างถลเถียงกันทั่วท้องพรผลงญจนก็ะทั่งถึงทะเลาะเบาแหวงชกต่อยกันอยู่ในท้องผลาญเพรา ะ, ะเจ้าผมถ้าบจเอา้เอาเตะออกมาเทลมาเทออกมาเป็นคําหมากเห็นไหมตัวเสนียง ก, ก็คือความเห็นแตกแยกทะเลาะเบาแหวงกันบ้านใหญ่โตเขาหลยขนาดใหญ่โตขนาดไหนมันก็แตกแยกมันแตกแย ก, แ, ก, แ, ยกแล้วมันพังทลายแน่นอนล้างได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้แหละ ในบริษัทเบอร์รนามันนี้หรือพวกเรากลุ่มพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นหมู่เป็นคณะมาเนี่ยเราจะต้องมีพยายามรักษาความคิดความอ่านให้ลงรอยเดียวกันมีความพร้อมเพียงกันอย่าเอาทิศทิมาณะของตัวเองเป็นเกณฑ์ถ้าหากเราหมู่เอาคณะเป็นเกณฑ์แล้วดู พูดคุ ย, คยฟังกันด้วยเหตุด้วยผลยอมรับในเหตุในผลซึ่งกันและกันแล้วเราจะประคับประคองด้วยความพร้อมเพียงสมัรสมานสามอาคีแม้การงานสิ่งใดเกิดขึ้นก็จะมีแต่ความสําเร็จตัวเสนียดจะไม่สามารถเข้ามาลงในหมู่ในคณะ ข, นะของเราได้อย่างแน่นอนไอ้ น, นี่ฝากไว้ให้ทุกท่านทุกคนด้วยเด้ออยู่ในครอบครัวไหนอยู่ในบ้านเรือนใดอยู่ในหมู่ในคณะใดอยู่ในวงงานใดเรามัดระวังอย่าให้ตัวเสนียดเป็นลงเข้าใจบ่ละ เห็นตัวเสเดียบกันหรือยังนั่นแหละเกิดมาเคยได้ยินแต่ตัวเสดียบแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นตัวเสดียรเออต้องระวังเนอะเอ้าโค้งจะจบแล้วนะคงจะลาเลยเนอะเอ้าให้ดีทุกคนเนอะ